ส่วนคําว่าธาตุเหล่านี้เนี่ยนะอายตนะอันใดอันนั้นแหละคือธาตุแต่ก็ที่เหมือนกันนะอะมานายตนะตรงนั้นเนี่ยที่อายตนะในหมวดที่เจ็ดนะมานายตนะพอมาขยายเป็นธาตุมานายตนะตัวนั้นเนี่ยมาขยายได้กี่ธาตุรู้ไหมเป็นเจ็ดธาตุด้วยกันมานายตนะเนี่ยนะในมานายตนะมาขยายได้เจ็ดเจ็ด เจ็ดธาตุมานายตนะขยายเป็นจกักรวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุขานาะชิวากายมโนธาตุแลนะมโนวิญญาณธาตุมันก็เลยเยอะเองไองที่เหลือเหมือนกันเนี่ยนะอายตนะสีสองธาตุสี่แปดต่างกันยังไงต่างอยู่ข้อเดียวคือข้อสุดคือมานายตนะมานายตนะตัวเดียวมาจําแนกมาผ่าออกเป็นเจ็ดชิ้นเจ็ดส่วนก็เลยเยอะไปเองเนี่ยนะ ส่วนที่เหลือซ้ซําๆกันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะซ้าๆกันธาตุใดที่เป็นใหญ่อายตนะใดที่ใหญ่มากขาดเข้าไม่ได้อายตนะนั่ น, นคืออินทรีย์เช่นจักควายตนะจักขุธาตุใหญ่มากในการเห็นเรียกจักขุนศีโลกนี้นะโลกทวานตาเนี่ถือเอาตาเป็นใหญ่ที่สุดตานี่ใหญ่กว่เพื่อนถ้าไม่มีตาสัอย่างเดียวนะ ใครเกิดมาสวยขนาดไหนก็อดชมอะไรอย่างเงเพราะว่าไม่มีตาใช่ไหมไม่มีตาสีวิจิตพิสดารใครวาดรูปอลังการที่ไหนก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับคนตาบอดนั้นตานี้ใหญ่ที่สุดในการเห็นหูนี่ใหญ่ที่สุดในการได้ยินพันใครจะเสียงหล่อเสียงเพราะเสียงดีลึกซึ้งพูดอะไรก็ช่างเถอะหูหนวกอย่างเดียวนี่หมดเลยหูนี่จึงใหญ่ที่สุดในการได้ยินเนี่ยนะ ใครจะใช้น้ำหอมชนิดใดพอดีวันนั้นเป็นหวัดหรือจมูกเสียไปแล้วนี่ก็หมดเลยใช่ไหมอันก็จมูกนี่จึงเป็นใหญ่ในการรู้รู้กลิ่นรับกลิ่นเป็นเครื่องมือที่ทำให้อตัวเห็นจริงๆไม่ใช่ตานะเห็นไอ้ที่เห็นมันจากครูวิญญาณแต่ถ้าขาดตาแล้วมันจากคูวิญญาณมันเกิดไม่ได้ไอตัวได้ยินก็ไม่ใช่หูแต่ถ้าไม่มีหูก็ได้ยินไม่ได้ ตัวรู้กลิ่นก็ไม่ใช่จมูกแต่ถ้าไม่มีจมูกก็รู้กลิ่นไม่ได้ตัวลิ้นก็ไม่ใช่เป็นตัวรู้รสแต่ถ้าไม่มีลิ้นก็รู้รสไม่ได้กายก็ไม่ได้รับรู้โธทภะนะแต่ถ้าไม่มีกายก็รับโธทภะไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเป็นรูปกระทาตเป็นรูประขันซึ่งสิ่งเหล่านี้รู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอนารมณะ จากขูวิญญาณโซตาวิญญาณคานาวิญญาณตัวนี้เป็นตัวที่รับรับอารมณ์แต่ถ้าไม่มีตาจากขูวิญญาณก็ไม่รู้จะไปสายเกิดที่ไหนไปแขวนตรงไหนเกิดเพราะฉะนั้นยังเอ า, เอามือดูสู้ทีนนะ่ใช้มือสองดูที่เป็นยังไงจะไปเห็นได้อย่างไงเพราะมันไม่ใช่ที่เกิดของจากขูวิญญาณ น, นะเอาอย่างอื่นไปฟังแทนหูได้ไหม ไม่ได้เพราะหูนี่จึงเป็นใหญ่ที่สุดในการได้ยินเป็นที่อาศัยเกิดของโสตะวิญญาณนั้นตาหูจมูกลิ้นกายตัวเนี้ยเป็นเป็นมหามีมหาพูดเป็นเหตุใกล้ก็จริงแตก่กรรมเป็นตัวจัดแจงเป็นตัวจัดสรรค์ให้เกิดขึ้นตาเนี่ยจากขุนศีก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งโสตินศีคือหูก็มาจากอีกกรรมหนึ่งคานินศีคือจมูกก็มาจากอีกกรรมหนึ่งชิวหินศีคือลิ้น ก็มาจากอีกกรำหนึ่งการยินเสียนะตั้งแต่หัวจดเท้าก็มาจากคนละ ร, รมคนละ ร, รมคนละ ร, รมกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยสมบูรณ์หลายแห่งแต่ก็วิบัติอีกหลายที่เพราะอะไรเพราะว่ากรคำนี่มันอะไรจริงๆไอ้ตัวกรรมนําเกิดมันดีแต่ว่าถูกอุปปีและกรรมมาเบียดเข้าก็เลยอะไรนะไฟมันสว่างดีหรอกตอนแรกแต่ว่ามันเจออย่างอื่นทำให้หมัวไปหมดเลยนี่ก็เหมือนการบุญที่มันนาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆแล้วเป็นบุญที่ดีกัน แต่ว่าบาปมามาเล่นงานซะเลยหมดสภาพหมดเลยอย่างนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเครื่องวัดผลให้รู้อะไรให้รู้ว่าเป็นที่อาศัยเกิดของมันินซีคือใจเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเกิดของมนินรีคือใจจากขุนซีที่เป็นใหญ่ในการเห็นเพราะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเห็นจิตเห็นเนี่ยจากครูวิญญาณก็เป็นมันินรี โสตวิญญาณที่เรียกว่าเป็นใหญ่ในการเอ่อเข้าไปโสตโสตินทรีเนี่ยนะที่ว่าเป็นใหญ่ในการได้ยินก็เพราะเป็นที่อาศัยเกิดของมนินรียจมูกที่ว่าเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นก็เป็นที่อาศัยเกิดของมนินรียกายที่รับกระทบโพพะเป็นใหญ่ในการรับผกระทบโพธพภะก็เป็นที่อาศัยเกิดของมนินรีเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเกิดของมนินทรียจิตมันจะเกิดโดดๆได้ไหม ไม่ได้ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ขณะเดียวกันเกิดดวงเดียวอยู่ๆก็เกิดแค่ดวงเดียวแล้วหยุดเลยได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีอนันตรปัจจัยกระแสแห่งความคิดทั้งหลายกระแสแห่งมนีนีย์ก็ไหลไปทีนี้ไอ้นทรีย์มันไหลไปตันหามันก็เกิดร่วมกับมนินทรีย์ด้วยนี่สิที่มันสร้างปัญหามากนะตันหาที่มันไหลเกิดร่วมกับจิตรำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทำก็คือตันหานั่นแหละ ธรรมธรรมตัวนี้คืออกุศลธรรมคือตัณหามีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ถ้าไม่มีใจอย่างเดียวกิเลสเกิดได้ไหมไม่ได้เขาบอกว่าสตินามรูปทั้งหลายเนี่ยจะดับดับที่ไหนดับที่ไหนเมื่อมีความดับไปแห่งวิญ ญ, ญาณถ้าจิตดับนะสตินามรูปอะไรดับหมดไม่มีเหลือจบหมดเลยนะถ้าถ้าจิตดับอย่างเดียวนะแต่ทีนี้จิตจะดับดับได้ยังไง ถ้าจะดับจิตดับได้ยังไงโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะสัมปยุตและโมหะมูลจิตที่เป็นโมหะมูลจิตที่เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตดับด้วยโสดาปติมักปฏิสนที่จิตในอบายปฏิสนที่จิตในมนุษย์ในภพที่แปดเป็นต้นก็ดับด้วย โสดาปฏิมักใครต้องการรายละเอียดเรื่องนี้พิสดารก็ไปดูเอาในเล่มหกสิบเจ็ดอชิตะมานวะกะปัญหานิเทศปัญหาที่หนึ่งมานกคนที่หนึ่งก็ฟังจบเข้าวรลุเลยนะเราฟังจบก็ยัง ง, งงงอยู่มึงเลยอันนี้เขคุยอะไรกันเนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็เดี๋ไปดูเอาเนะยยอมดูแล้วเข้าใจแล้วมาเล่าให้ฟังว่ า, วาเขาเรื่องเขาไปยังไงทีนี้ ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นไปได้อะไรมารักษาไว้ชีวิตเป็นเครื่องรักษาชีวิตกับอายุต่างกันหรือไม่ไม่ต่างไอเ้เช่นตานี่สืบเนื่องมาเท่าไหร่เขาวัดกันที่อายุมันเ น, นี่ยเพราะอายุเป็นตัวรักษาอนุปาลกะชนะกะ อ, อ, อนุปาลกะสติมีอำนาจในการอนุบาล ร, รักษารักษาตาอะรัก ชีวิตรักษาตาชีวิตรักษาหูชีวิตรักษาจมูกชีวิตรักษาเลนชีวิตรักษากายชีวิตรักษาใจเนี่ยนะชีวิตชีวิตทินรียเนรักษาตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะที่มีอิทธิ์สีกับปุริสินีก็ต่างกันเพราะฉนั้นตาตาของหญิงกับตาของชายจึงต่างกันเพราะ ผัาอินรีย์คืออิตถินรีย์กับปุริสินรีย์ไม่เหมือนกันนะนี่ยังั้นหูของผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันจมูกของผู้หญิงผู้ชายก็ต่างกันลิ้นของหญิงของชายก็ต่างกันแต่ที่ต่างกันชัดเจนมากก็คือกายรู ป, ปกายโครงสร้างทางสรีระเนี่ยนะของหญิงกับชายก็ต่างกัน เขาบอกว่าบางคนเขาเอางูสองตัวมาเขาบอกว่าเขาก็สังเกตออกนะว่างูตัวไหนเป็นตัวเมียกับตัวผู้อันนั้นเขาบอกว่าพวกพวกรู้รู้จักงูดีกระโหลกศีรษะก็เหมือนการพวกจิตอะไรนะหมอหมอเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรียกหมออะไรอะไรเวทนะนิติเวทพวกนิติเวทนี่เห็นกระโหลกปั๊บบูออกเลยนี่กระโหลกหญิงกระโหลกชายเยนะ่นะพวกหมอพวกหมอ ผ่าศพพิสูจน์ศพอะไรทั้งหลายแลเนี่ยนะเขาเห็นตลกปั๊บเขารู้เลยว่าโครงสร้างทางเนี่ยมันต่างกันเ้าก็มองออกเพราะอะไรเพราะความที่อิทธินศีและปุริศนีนี่นะคือถ้าแบ่งอินทรีย์เป็นกี่บรรทัดเนี่ยเป็นห้าบรรทัดเนี่ยน ะ, ะชีวิตเนี่ยเป็นบรรทัดที่สองคือชีวิตเป็นตัวรักษาตาหูจมูกลิ้นกาย และใจอิทธินศีนี่เป็นตัวจําแนกทําให้ตาหูจมูกลิ้นกายของหญิงของชายต่างกันคือตัวอินรีสองตัวคืออินรีย์ที่เป็นภาวะรูปผลของการออินรีย์ทั้งแปดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจชีวิตอิทธินศีุริสินรียอันนี้เป็นกลุ่มเหตุนะเหตุผลของการมีอินรีย์เหล่านี้คืออะไรคือสุขทุกข์ โสมนัสโทมนัสแลอุเบขาเพราะฉะนั้นสุขของชายก็ต่างกันสุขของหญิงก็ต่างกันทุกข์ของชายก็อย่างหนึ่งทุกข์ของหญิงก็อย่างหนึ่งนะก็ผลออกมาของของอินทรีย์ที่แปดอินทรีย์ทั้งแดต้นนั้นเป็นกลุ่มเหตุสุขทุกโสมนัสโทมนัสเป็นผลสุขทุกขตัวนี้ใช้กับใช้กับกายอินทรีย์กายอินทรีย์เป็นเครื่องวัดทําให้รู้สุขรู้ทุก นะเพราะสุกระทุก์ใช้กับเกี่ยวกับเรื่องกายอันนี้นี่นี่พูดโดยนัยะอินทรีย์นะอย่าไปโยงกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์นั้นสุกทุกใช้กับกายใช้กับทาวารกายทาวารเดียวส่วนโสมนัสโทมนัสใช้กับทาวารที่เหลือเอ่อขอไปโสมนัสโทมนัสใช้กับทวารใจส่วนอุเบกขาใช้ทั้งห้าทวารเนยนะห้ทาทวาร ก็จริงมันนม่ยากอะไรหร้กใครเรียนเเจติกมาบ้างก็ ง, ง่าย น, นิดเดียวนะครับไปเรียนพระเชิดสองบ้างก็จะไม่ยากหรอก <c oughs> ทีนี้ผลของการมีอินทรีย์ห้านี่แนะเออขออภัยผลของการมีอินทรีย์แปดตัวอินทรีย์แปดอินทรีย์แปดเป็นเหตุผลของการมีอินทรีย์แปดคือ <c oughs> เดี๋ยวก็สุข <c oughs> เดี๋ยวก็ทุกข <c oughs> ์เดี๋ยวก็ดีใจ <c oughs> เดี๋ยวก็เสียใจ <c oughs> เดี๋ยวก็เฉอยอันถามว่าดีใจสุข ทุกดีใจเสียใจใช้ๆมาจากอะไรมาจากมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะชีวิตรักษาเพราะความเป็นหญิงความเป็นชายผลออกมาทำให้เกิดสุขทุกดีใจเสียใจและใช้ๆบอกว่าเห็นโทษและเกิดในอินทรีย์ทั้ง13ตัวเหล่านี้เนี่ยมันเลวร้ายมากไม่ดีเลยน่าเบื่อเต็มทีทำไมก็ต้องปฏิบัติ มีข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดอินทรีย์เหล่านี้นะข้อปฏิบัติเพื่อทำลายอินทรีย์สิบสามอินทรีย์มีอยู่ห้าเทอินทรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อกําจัดอินทรีย์ทั้งหมดที่กล่าวไปคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นอินทรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดอินทรีย์ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนีย่ยนะถ้าปฏิบัติถูกต้องผลจะต้องได้อินทรีย์ที่เป็นโลกุตระ สตัวคืออนัญญาตัญยัตสามีตินีอนัญญินรียและอัญญาตาวินีอินทรีสามข้อสุดท้ายเป็นชื่อของปัญญาอย่างเดียวแต่เป็นปัญญาที่เกิด e ร่วมกับโลกุตระเนี่ยนะโลกุตระอนัญญาตัญยัตสามีตินีเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิมาอัญญินรียเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดร่วมกับ โสดาปฏิผลสกาธาคามิมักอนาสกาธาคามิผลอนาคามิมักและอนาคามีผลและอรหัตตมักส่วนอัญญาตาวินสีก็คืออรหัตผลอย่างเดียวนะอรหัตผลปัญญาอย่างเดียวอินรีย์ห้าขอไปอินรียทั้งหมดมียี่สบสองใช่ไหมอินรีย์ที่เป็นโลกุตระมีอยู่สามอินทรีย์ อินทรีย์ที่เป็นโลกุตระสามอินทรีย์เหล่านี้ทําไมจึงเป็นปริญญาธรรมปริญญาว่ายัางไงปริญญาตรงนี้เนี่ยแปลว่าเป็นปริญญาไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปพิจารณาโดยนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เป็นปริญญาประเภทปฏิลาภต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าปฏิบัติได้เรียกว่าทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้ถ้าปฏิบัติจนโลกุตระธรรมเหล่านี้ไม่เกิดก็ไม่เรียกว่า ปริญญาไม่ใช่บอกอู้โสดาปฏิมักก็ไม่เที่ยงเห็นไหมโสดาปฏิมักของพระนร์ก็ยังไม่เที่ยงเลยอย่างงี้เนี่ยเขามีไหมเข้าเจริญอย่างนี้มีไหมไม่มีเนาะก็ดีแล้วที่เขา้าใจอย่างนี้แมง ก, ก็ออ้ยโสดาปฏิมกักโซดาปฏิผลเป็นต้นของพระอริยไม่เห็นเที่ยงเลยดับไปหมดแล้วเนี่ยไงเขาไม่พูดกันอย่างนี้หรอกส่วนอินทรีย์ที่เหลือเขาก็ให้ที่เรณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่เหมือนกัน เการจำแนกหัวข้อธรรมะตั้งแต่หมวดที่หนึ่งคือธรรมะสามสิบในทวารหกหมวดสองคือขันห้าหมวดสามคือปริยรูปสาตรูปหกสิบหมวดสามคือปิยรูปสาตรูปหมวดสี่คือธาตุหกหมวดห้ากษินหมวดหกอาการสามสิบสองหมวดเจ็ดอายตนะสิบสองหมวดแปดคือธาตุสิบแปดหมวดเก้าคืออินทรีย์ ธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะคื อ, อยาตะปริญญาที่สามารถเอามากระจายเนี่ยนะซึ่งจริงๆธรรมะที่กล่าวมาทั้งหมดจนถึงเก้าข้อเนี่ยก็คือชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี่แหละแต่เอามากระจายแยกกลุ่มก้อนแยกคณะสัญญาแยกความสำคัญหมายว่าเป็นเป็นอะไรเป็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เป็นแต่อะไรเป็นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นแต่ขันเป็นแต่ปิยรูปสารรูป เป็นแต่าธาตุกสินอาการสามสิบสองอายตนะาธาตุและอินทรีย์เมื่อมีการกระจายอย่างนี้ท่านเห็นอายตนะว่าเป็นสัตว์หรือท่านเห็นว่าสัตว์อื่นจากอายตนะหรือสัตว์อยู่ในอายตนะหรือหลังนั้นก็สัตว์งั้นผมก็ว่าสัตว์ไม่มีสิ